ขณะนั้นทันใดนั่นเองมารเนรมิตรแขน 1,000 ขึ้นขี่ช้างชิว่าครีเมฆละสูง1 0ึ่ยช้รโย์พาพลมานเนี่ยนะพาบริวารยกกองกำลังมารมา 90,000 นโยต์มองดูครึ่งดวงตาเนี่ยหมายก็ว่าแบบมองแบบคนครึ่งดวงตาเนี่ยหมายก็ว่าหันหน้าไปทิศอื่นแต่เหลมาที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะเาเรียกว่ามองครึ่งตาก็แปลว่า เรียกอะไรนะเลมองอะนะแบบมองแบบคนไม่พอใจมากเลยนะเพราะไม่สามารถมองตรงตรงได้ต้องมองเฉียงเฉียงแล้วก็ตวัดสายตาหันไปทางนั้นแบบถ้าจะมองให้อีกฝ่ายหนึ่งตายได้ก็คงตา ม, มาอ่ะนะเรียกว่าหมในตาที่อ้าวเวลาคนโกรธคิดอีกคนละอย่างกันนะพระโพธิสัตว์ก็เหยียดพระหัตถ์ตรัสว่าเรากำลังบาเพ็ญบารมีสิบไม่มีสมณนะพราหมณ์เทวดามาหรือพรหมเป็นพยาน บุญที่เคยทำมาตลอด4ีลสงไขยแสนกับปกติก็ไม่มีใครเป็นพยานหรอกแต่ในอัตภาพชาติที่เป็นพระเวสสันดรมหาปตพีคือแผ่นดินได้เป็นพยานของเราในฐานะเจดประการเราปรารภการให้ทานแผ่นดินไหวอยู่เจ็ครั้งครั้งแรกตอนที่อายุ8ดขวบปรารภที่จะอให้อวัยวะศรีระเป็นทานเป็นต้นให้ชีวิตเป็นทานตอนนั้นแผ่นดินก็ไหวแล้วก็อีกที่หนึ่งตอนที่พระองค์บริจาค ปัจจญานาตให้พญาช้างเป็นทานตอนนั้นแผ่นดินก็ไหวพระองค์ให้สัตสดกมหาทานแผ่นดินก็ไหวสามเลใช่ไหมให้พระนางมัต ส, สีเป็นทานแผ่นดินก็ไหวให้ชาลีกุมารเป็นทานแผ่นดินก็ไหวตอนที่พระองค์พบญาติทั้งหลายแผ่นดินก็ไหวเข้าเมืองไปแผ่นดินก็ไหวสรุปแผ่นดินไหวเจ็ครั้งที่นอบน้อมในทานของพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นมหาปฏิปีที่ไม่มีใจ อุปมาเหมือนท่อนไม้ก็ได้เป็นสักขีพยานแผ่นดินยังเป็นพยานเลยไหมครับทีนัทีนั้นทันใดนั่นเองมหาปตพีก็เปล่งเสียงร้อ ง, ร, องร้อยครั้งพันครั้งเหมือนเสียงกลางสะ دان ที่ถูกตีด้วยท่อนเหล็กแล้วก็กลิ้งม้วนพาเอากองกําลังมารไปกองไว้ที่ขอบปากจากาาักรวาลกันกล้วกันเหมือนกับแผ่นดินไหวเหมือนลมพัดอะนะพัดขยะไปมูลฝอยทิ้งไปหมดเลยเหมือนกับแม่น้ําพัดขยะออกไปทิ้งหมดเลย เมื่อดวงอาทิตย์กำลังดำรงอยู่นั่นแหลหมายเขาว่าโพลเพลพลบค่ำนะพระโพธิสัตว์ก็กำจัดพลมานกองกำลังมานได้ปฐมยามช่วงหกโมงถึงสี่ทุ่มก็ชำระปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากส่วนประมาณสี่ทุ่มถึงตีสองในมัชมิมยามพระองค์ก็พิจารณาหมู่สัตว์ที่เป็นไปตามกรรมเนี่ย น, นะพิจารณา สัตว์ทั้งหลายในภพสามกำเนิด4ีคติ5วิญญาณทิฏเจสัตตาว่า9โดยอะไรโดยกรรมโดยผลของกรรมโดยชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยนั่นเองเนี่ยนะก็การเกิดเป็นเหตุแห่งความแก่ความแก่ก็เป็นเหตุแห่งความตายตายก็เป็นเหตุแห่งความเกิดเกิดก็เป็นเหตุแห่งความแก่ตายวนเวียนเวียนว น, วนอยู่ในวัฏฏะอยู่นั่นแหละเมื่ อ, อยางลงในปฏิจจสมุปบาทในปัจฉิมยามพิจารณาทั้งวัตะและวิวัฏฏะเช่นพิจารณาวัฏฏะก็ ชาติชรามรณะความแก่ทั้งหลายมีความเกิดเป็นปัจจัยวิวัตะถ้าดับความเกิดได้ความแก่ความตายก็เป็นอันดับไปอันนี้เป็นวิวัตต์ความเกิดมีกรรมมพบเป็นปัจจัยถ้าดับพบได้ชาติก็ดับเพราะฉะนั้นพบมีชาติมีพบเป็นปัจจัยอันนี้เป็นวัตะถ้าดับพบได้ชาติก็ดับอันนี้เป็น วิวัตตาก็พิจารณาจนอย่างลงสู่อริยสัจชารามรณะชารามรณะสมุทัยชารามรณะนิโรธชารามรณะนิโรทัขามินีปฏิปทาเป็นการพิจารณาโดยยาณวัตถุ44และยานวัตถุ77เป็นต้นเนี่ยนะมันรุ่งอรุณก่อนสว่างก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพร้อมกับสว่างพระองค์ก็ดมเิว่าเราทําความเพียรเพียรพยายามทําบุญสร้างบารมีเพื่อบัลังนี้มาตลอด หลายแสนโกดกับเนี่ยนะสร้างบารมีกว่าจะได้มาประทับนั่งนะสถานที่ตรงนั้นเนี่ยนะทำบุญทำกุศลหาประมาณนม้ได้ใช่ไหมเพื่อจะไปตรัสรู้ถ้าของเราไปก็ไปกราบไปไหว้ไปบูชาไปสรรเสริญ น, น, นะแล้วพระองค์ก็ระลึกถึงคุณของสถานที่ตรงนั้นก็ประทับนั่งเข้าพระสมาบัติโดยท่าเดียวตลอดเจ็ดวันนะเข้าเข้าพระสมาบัติเข้าอารหัตผลสมาบัติมีนิพพานเป็น อารมณ์ยังสืบเนื่องกันประมาณเจวันสลับกับการพิจารณาธรรมบ้างต่อมาเทวดาบางพวกก็เกิดสงสัยว่าธรรมะยังมีคุณธรรมอย่างอื่นที่ทําความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่อีกหรือคือพระพุทธเจ้าประทรับนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยนั่งสร้างคุณธรรมอะไรอยู่หรือเปล่าแสดงว่ายังต้องเจริญอะไรอีกแน่นอนนะเพราะไม่ออกสักทีเหมือนอะไรอววร์อยู่ตรงนั้นเหลือเกินเพราะเทวดาทั้งหลายปกติไม่รู้อยู่แล้วว่าพราะองค์กําลังพิจารณาอะไร ไ, นะไม่รู้นะว่าพระถ้าพระองค์คิดเรื่องทั่วๆไปเขาจะรู้แต่ถ้าพระพุทธเจ้ากําลังพิจารณาอริยสัจมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยทเทวดาทั้งหลายไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้ากําลังคิดอะไรอยู่ก็เหมือนกับเห็นเห็นคนนั่งหลับตาเนี่ยเราก็ดูภายนอกเห็นเขานั่งอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเขานั่งคิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นชั้นใดทเทวดาทั้งหลายก็ชั้นนั้นเนี่ยนะถ้าพระพุทธเจ้าคิดเรื่องทั่วไปรำพึงจะฉันน้ําจะเดินจะเดินเป็นต้นเขาจะเข้าใจแต่ถ้าพระองค์ปราบพิจารณาอรรริยสััจตู้้เเ่าาไมขใ มันก็เลยคิดเอ๊ะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าพระองค์นั้นก็ออกจากสมาบัติในวันที่8ดทราบความสงสัยของเหล่าเทวดาก็เสด็จเหาะแสดงยะมะกะปาฏิหารเพื่อกําจัดความสงสัยแล้วก็ ป, ประกาศอาสาธารณัยานอีกหนึ่งข้อคืออะไรอาสาธารณัยานคือยะมะกะปาฏิหาริยายานปกติแล้วอาสาธารณัยานยานที่ไม่สารณะต่อชนเหล่าอื่นมีอยู่หข้อหข้อก็คือหนึ่ง ยมกะปาติหาริยานมหากรุณาสมาบัติยานเป็นข้อสองสอาศยานุสยะยานสี่อินทริยป ร, ประปริยตยานแล้วก็หสัพพัญยุตยานหอนาวรณยานเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสรู้พระยานที่รองรับพุทธคุณทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วพระองค์ก็เลยแสดงยมกะปาติหานเหาะในเรมิต ร, รัตนจงกรมบนอากาศแล้วก็แสดงฤทธิ์โดยนิยะต่างๆตาม หลักของย ม, มะกะปาติหารเพื่อกําจัดความสงสัยของเทวดาเทวดาก็หมดความสงสัยยอมรับว่าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ไปประทับอยู่ณส่วนทิศเหนือทิศเหนือ เ, อเอยือกทิศตะวันออกสักหน่อยหนึ่งก็แปลว่าตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือของต้นโพเนี่ยนะพระองค์ก็สำรวจสถานที่บรรลุผลก็คือไปประทับยืนณตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วก็พิจารณาสถานที่ที่บรรลุผลแห่งบารมีเป็นสถานที่ที่เรียกว่าให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะให้ทานรักษาศีลเจรเนฆะธรมะภาคเพียรเจริญปัญญาวิริยะคันติสัจจะที่ฐานเมตตาก็เพื่อจะมาตรัสรู้ณนะสถานที่ตรงนี้เพื่อจะมาตรัสรู้คุณธรรมตรงนี้พันสร้างบารมีอย่างสืบเนื่องต่อเนื่องตลอดส่อสาศงไขแสนกลับเนี่ยนะพนโพธิบัลลังก์ โพที่บัลลังก์ตรงนี้เนี่ยถือว่ามีอุปการะคุณมากก็ดูด้วยการไม่กระพริบพระเนตรหนึ่งสัปดาห์มันศาสถานที่ที่สองสัปดาห์ที่สองที่พระพุทธเจ้าประทับยืนพิจารณาสถานที่ตรัสรู้ที่นั้นเรียกว่าอนิมิสเจดีแต่เรามองแบบไม่กระพริบเนี่ยนะเรามันเหมือนกับมองไม่กระพริบเลยแหละต่อมาพระองค์ก็เสด็จจงกรมณรัตน์จงกรมที่ต่อระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันตก ก็คือระหว่างพระบัลลังก์กับสถานที่ประทับยืนเนี่ยเดินจงกรมจากอา น, นิวิสเจดีกับโพธิบัลลังก์เนี่ยเดินกลับไปกลับมากลับมากลับไปอยู่นั่นแหละเวันเนี่ยนะเขนั่งกันนั่ง7วันใช่ไหมนั่ง7วันแล้วก็ไปยืนอีกเวันแล้วก็เดินอีก7วันแต่ไม่เพราะว่านอน7วันอะนะ แต่แต่เขามีนะมีรูปหนึ่งสมัยสมัยตอนหลังมาก็มีภาพภาอาหารรูปหนึ่งองค์นี้สปายะทุกอิริยาบถเดินก็สปายะยืนก็สปายะนั่งก็สปายะพระท่านเดินทีเจวันเนีย่ยนะเว้นแต่นั่งฉันนะแล้วก็นอนทีก็นอนได้เวันนั่งก็นั่ง7วันแต่ไม่ได้หลับ7วันนะคืออยู่ในอิริยาบถอย่างเดียวเนี่ยเวันเขาบอกว่าอยู่ครบอ่าสีคูณเท่าไหร่ยีวันก็เป็นภาพอาหารละเนี่ยนะ ของเราแน่นอนเฉลี่ยแล้วนะก็โอ้เวันคูณกี่ปีก็ไม่รู้เนาะเดินก็ไม่รู้คูณเท่าไหร่แต่ก็ยังอยู่เท่าเดิมเนี่นะแปลว่าไม่ได้ยืนเดินนั่งนอนด้วยมัชชิมาปฏิปทาไม่ได้มีข้อปฏิบัติคือโพธิปักขยธรรมก็เลยไม่ตรัสรู้คนที่เขาเป็นเนี่ยเขายืนเดินนั่งนอนด้วยโพธิปัจจะธรรมเนี่ยนะยืนเดินนั่งนอนด้วยคุณธรรมทั้งหลายจึงมีการตรัสรู้ ต่อมาเสด็จจงกรมนะรัตนจงกรมเสร็จแล้วเนี่ยนะสถานที่ที่พระองค์ประทับเดินกลับไปกลับมาตรงนั้นเรียกว่ารัตนจงกรมอันนี้เป็นสัปดาห์ที่สต่อจากนั้นเหล่าเทวดาในส่วนทิศตะวันตกในระมิตเรือนที่ทําด้วยแก้วประทับนั่งขัดสมาธิณเรือนนั้นเลือกเฟ้นพระพิธรรมปิฎกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมันตะปะทานอนันตนายล่วงไปหนึ่งสัปดาห์สถานที่ตรงนั้นเรียกว่ารัตนคระเจดี อันนี้อยู่ที่ตรงไหนทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยนะจัดทิศตะวันตกเฉียงเหนือของของโพที่บัลลังก์ะนะเพราะถ้าตรงทิศตะวันตกจริงๆก็เป็นเป็นที่เก็บอัฐิธาตุของพระพุทธโคสาจารย์เนี่ยนะถ้าตรงไปข้างหลังเลยนะแต่ถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นตะวันตกเฉียงเหนือพระองค์ก็อยู่บริเวณต้นโพเนี่ยสสัปดาห์ด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยนะก็สัปดาห์แรกโพที่บัลลังก์สัปดาห์ที่สอง รัตนครเจดีออขอาพายานมิสเจดีสัปดาห์ที่สรัตนจงกรมสัปดาห์ที่4รัตนคระเจดีนี้สัปดาห์ที่5พระองค์ก็เสด็จไปที่โคนต้น อ, อ, อ ช, อาชปาลนิโคร์ตก็เรียกว่าต้นทราที่พวกคนเลี้ยงแพ้ชอบไปพักเนี่ยพระองค์ก็นั่งเลือกเฟ้นพิจารณาธรรมะณนะสถานที่ตรงนั้นอีกสวยวิมุติสุขอีกตรงนั้น ทีนีย้อนกลับมาที่รัตนคระเจดีสักเล็กน้อยเนี่ยนะที่พระองค์เลือกเฟ้นธรรมะพิจารณาในยะแห่งอภิธรรมคือพิจารณาอะไรพิจารณาธรรมสังคีณีนะพิจารณาธรรมสังคีณีก็แบ่งเป็นกันๆใช่ไหมเรียกว่าอะไรจิตตุ ป, ปาทการอะไรอีกอัฏฐถารักันนิเคปกานแล้วก็อัฏฐถากันนะี่ยนะ ก็มีสีการแล้วก็พิจารณาวิพังอีกสิปวิพังมีขันธวิพังเป็นต้นพิจารณาธาตุกถาบุคคลบัญญัติกถาวัตถุยมกะต่อจากนั้นก็พิจารณามหาปกรณ์ชื่อว่าคัมภีมหาปัฐานี่นะพิจารณากุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลเป็นต้นเนี่ยนะทั้งติกะปัฐานทุกกะปฐานติกะติกะปัฐานทุกกะทุกกะปฐานติกะทุกกะปฐานทุกกะติกะปฐานเนี่ยนะก็พิจารณาอย่างเนี้ย ในยะหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะเมื่อจิตของพระองค์ยังลงในปัจฐานอันละเอียดสุขุมในพระพิธรรมปีติก็เกิดขึ้นอันนี้ต่างกันนะบอกว่าคนที่เรียนปัจฐานในยุคหมายพอเรียนปั๊บเครียดเลยนะีนะอันนี้ต่างกันเลยใช่ไพระองค์ไม่มีปีติไอ้คนที่เรียนไม่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเครียดเลยนะนะพอฟังปั๊บเนี่ยกุศลาธรรมะงงละกันเนี่ย เรียดแล้วยังตัวเลขตัวเลขกับบวกไปบวกมายิ่งหนักกับเราอีกแเครียดเนี่ยนะเออมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะปีติกับโทสะนี่มันคนละเรื่องกันหไอ้เครียดนี่มันโทสะใช่ปติเนี่ยมันเป็นกุเป็นเป็นอะไรเป็ น, เ ป, นเป็นความเ อ, อิบอิ่มมีความสุขมากก็เรียกว่าอาหารอร่อยจริงๆสาหรับท่านอีกค น, นก่บอกอาหารนีกินไม่ไหวแล้วนะเนี่ยนะนะนพระ อ, องค์ก็เกิดปีติขึ้นเมื่อเกิดปีติ โลหิตก็ใสใช่ไหมเพราะเหมือนกับว่าจิตเนี่ยไปฟอกเลือดอีกทีหนึ่งฉะนั้นพระโลหิตก็ใสเมื่อพระโลหิตใสผิวพรรณก็สดใสเมื่อผิผิวพรรณสดใสผ่ผสผองใสพระรศมีขนาดเท่าเรือนยอดเป็นต้นก็ผุดจากพระกายส่วนหน้าในข้างหน้าเนี่ยนะข้างหน้าเนี่ยรสมีพุ่งออกไปเลยเนี่ยนะรสมีนั้นแล่นไปตลอดอนันต์จั ก, กรวาล ทางทิศตะวันออกเหมือนโคลงพญาช้างเล่นไปในอากาศเหมือนช้างวิ่งเป็นโคลงวิ่งออกจากตัวเนี่ยวิ่งไปทิศตะวันออกเหมือนั่นเล่นไปในอากาศหาที่สุดไม่ได้เนี่ยรัศ ม, มีผุดขึ้นจากพระกายส่วนปฤิสางคือข้างหลังก็เล่นไปในทิศ ต, ตะวันตกพระกายผุดขึ้นจากพระอังศาคือสีข้างด้านขวาก็เล่นไปในทางทิศใต้ตอนนนะนะรัส ม, มีที่ผุดจากปลายพระอังศาข้างซ้ายก็เล่นไปในอ น, อนันตจักรวานในด้าน พิทเหนือพระสมีมีสีเหมือนทองเหมือนหน่อแก้วประพาลก็ออกจากพื้นพระบาททลุมหาปฏาปีเนี่ยนารสีเนี่ยจมดินทลุดินลงไปเลยนะแวกน้ําเป็นสองส่วนทําลายกองลมเล่นไปในอชตาากาศส่วนเกลียวพระสมีสีเขียวเหมือนพวงแก้วมณีหมุนเกลียวผุดขึ้นจากพระเสียนทลุเทวโลกหกชั้นเลยพรหมโลกเ้าชั้นเล่นไปในอัชตาากาศ บอกวันนั้นเหล่าสัตว์ไม่มีประมาณในเหมือนจักรวาลหาที่ประมาณไม่ได้ก็มีสีเหมือนทองไปหมดชั่วแวบหนึ่งนะชั่วแวบหนึ่งนะก็แลวันนั้นรัศมีเหล่านั้นที่สร้างออกจากพัสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังดําเนินอยู่ในตลอดอนันต์จักรวาลอนันตโลกธาตุแม้กระทั่งทุกวันนี้ปกติเนี่ยแสงแสงทั้งหลายเนี่ยใช้เวลาเดินทางวินาทีละประมาณแสนนะกิโลเนี่ยนะแสนกิโลเศษเศษต่อวินาทีเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นแบบว่าในจักรวาลเนี่ยจักรวาลบางอย่างเนี่ยเดินทาง50ปีแสงแปล ว, ว่าจากจักรวาลหนึ่งไปอย่างดาวดวงหนึ่งไปสู่ดาวดวงหนึ่งเนี่ยเมื่อมีการสำรวจ บ, บอกว่าใช้เวลา5 5,000 ปีแสงก็มีบางทีบางอย่างก็ 5,000 ปีแสงบางเป็นหมื่นปีแสงบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันกี่เพึ่งกี่ปีเองเนี่ยนะใช่ มันยังไม่ถึงห้าพันปีแสงเลยใช่เพิ่ง2500ปีแสงก็แสดงว่ายัางยังไมไ่ถึงที่สุดเพราะอะไรเพราะจั ก, กรวาลไม่มีที่สุดพระรัศมีก็ยังแผ่ซ่านไปอยู่เนี่ยนะท่านก็เลยบอกว่ารัศมีอันนั้นก็ยังดําเนินเป็นไปอยู่ถึงทุกวันเนี่ยนะไม่ได้ตามไปดูนะตามไปก็ต้องหายตัวไปดูเท่านั้นนะนะถ้าติดตามถ้าเดินทางเร็วเท่าแสนก็ อ, อ, กอีกนานอะ่ะไม่ทันหรอกก็ไม่ทนนันนะมันก็สรุปว่ารัศมีนั้นซ่านไปหาที่สุดไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากที่ออกจาก ต้นอชาชปาระนิโครธคือพระนะอยู่ที่รัตนคระเจดีเจ็วันออกจากรัตนคระเจดีไปอยู่อชาชะปาระนิโครอีก7วันต่อจากนั้นก็ไปยังมุจลินอีกสัปดา ห, หนึ่งเรียกว่าที่ที่มุจลินนี่ห่างจากแถวบริเวณต้ตนโพไปสักสองกิโลเนี่ยนะพระองค์ก็ประทับนั่งณนะสถานที่ตรงนั้นมหามีดซึ่งไม่ใช่ฤดูกาลก็เกิดทําให้ห้องสกลจักรวาลเต็มเปี่ยมไปด้วยฝนเรียกว่า ทุกอย่างแปลสภาพไปเป็นเมฆฝนกันหมดเล่าว่ามหาเมฆเช่นนี้ตกในเวลาตกสองเวลาเท่านั้นมหาเมฆที่ตกแบบทั่วจักรวาลเนี่ยนะคือเมื่อพ ร, พระเจ้าจักรพรรดิหรือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเท่านั้นมหาเมฆนั้นจึงจะเกิดขึ้นมหาเมฆฝนชนิดพิเศษเนี่ยนะตอ่อเมื่อมีพระเจ้าจักรพรรดิเกิดในโลกหรือไม่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็เมื่อมหาเมฆนั้นเกิดขึ้นแล้วพญา น, นาคชื่อว่ามุจจรินก็ดำริขึ้นว่า เมฆนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาสเสด็จเข้ามายังพบของเราคือบริเวณตรงนั้นเขาคุมนะพญานาคนี้คุมอยู่ก็เลยว่าพระองค์เนี่ยควรจะได้อาคารบังน้ำฝนก็คือมีที่อยู่ควรจะมีที่อยู่นะพญานาคก็คิดว่าถึงจะสามารถเราเนี่ยนะถึงจะสามารถเนรมิตปราศาสตร์เป็นรัตนะเจประการ เมื่อทําอย่างนั้นก็จะไม่ได้บุญใหญ่ไม่ได้บุญมากก็เนรมิตแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วใช่พระพุทธเจ้าก็อยู่สบายแต่เราบุญแป๊บเดียวเองบุญชั่วความคิดเดียวให้ทํำยังไงให้มันบุญให้ยาวต่อนเนื่องกัน7วันนะเขารู้ว่าบุญเนี่ยไม่ใช่ตัววัตถุแต่อยู่ที่ตัวจิตใจทํายังไงให้บุญเนี่ยไหลสืบเนื่องกันไปได้เจวันเนี่ยนะถ้าเป็นของพวกเราทั้งหลายคิดแบบนะั้นทำยังไงให้วัตถุบุญเนี่ยมันสําเร็จบุญจะวัดเดียวยิ่งแหมยิ่งปลื้มมากเลยใช่ไหม คนทั่วๆไปจะชอบคิดอะไรแค่แว บ, บเดียวแต่ของผู้ที่เขารู้บุญรู้ผลแห่งบุญทํายังไงกุศลจิตเขาจะเกิดได้บ่อยที่สุดนานที่สุดยาวที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเราจะทําให้บุญของเราเนี่ยสืบเนื่องไปเจ็วันก็เลยขวนขวายสรีระขยายอัตภาพร่างกายให้ใหญ่ล้อมรอบพระาศาสดานั้นไว้เจดชั้นกั้นพางผ่านไว้ข้างบน ที่เรืเ่องอะไรนะพระพุทธรูปปางนาปรก น, นะครับกลุ่มนีมาจากนี่แหละโอกาสภายในขนดข้างล่างนั้นมีขนาดเท่าโลหะปราศาสเนี่ยนะก็เหมือนกับโลหะปราศาสนะใหญ่มากพญานามีอัธยาศัยน้อมไปว่าพระาศาสดาจักประทับอยู่ตามอิริยาบถ ท, ที่ทรงต้องการเนี่ยนะทรงต้องการเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ พญานาก็ล้อมโอกาสที่ใหญ่เอาไว้อย่างนี้ตกแต่งรัตนบัลลังเอาไว้ตรงกลางมีเพดานผ้ามีพวงของหอมดอกไม้พรั่งพร้อมไปด้วยวิจิตดาวทองอยู่เบื้องบนประทีบน้ํามันหอมสว่างทั้งสี่มุมตั้งกล่องจันท์เปิดเอาไว้สี่ทิศเนี่ยนะก็แสดงว่าให้ในห้องในห้องของท้องงูเนี่ยยืนสบายหอมกลุ่นแต่ปกติเนี่ยถ้าเป็นงูจริงๆอ่ะนะถ้าไม่ใช่พญานาเ น, นี่ยขาวคลุ้งไปหมดเลย กลิ่นงูเนี่ยข่าวข้องกลิ่นสาบเหม็นแรงะนะเพราะว่าพวกนี้กินแต่เนื้อใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแต่นี้ว่าทา่านคนเนรมิตให้ดีก็ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรมีแต่กลิ่นจานหอมอย่างนั้นแ่ะ